อนุญาถามเพื่อที่จะได้เก็บประเด็นความรู้ต่อไปนะคะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยตั้งความปรารถนาเป็นเพราะปัจเจกับพุทธเจ้าแต่ด้วยเหตุผลว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าเนี่ยในความเห็นของเขาเนี่ยเก่งกว่าพระพุทธเจ้าอะค่ะเขาเลยตั้งความปรารถนาที่จะก็ต้องบอกเขาว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยถามบอกว่าเรา เราต้องการอยากจะรู้พระพุทธเจ้ากับพระประเจพระพุทธเจ้าเนี่ยต่างกันอย่างไรก็ต้องดูในชั้นของคําสอนท่านวางหลักไว้อย่างไงใช่ไหมถามว่าพระปัเจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องถามต้องบอกว่าท่านเก่งไหมเก่งแต่เก่งได้เฉพาะตนท่านไม่ได้ปรารถนาขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏถ้าพูดให้ลึกลงไปเนี่ย ท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนเท่านั้นไม่ใช่ประโยชน์ของบุคคลอื่นไม่ชีต้องไล่ให้เขาฟังว่าคนเนียนการที่จะรู้จักบุคคลเนี่ยรู้จักเขตรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการใช่รู้จากกาัชจกชุมชนแล้วก็รู้จักบุคคลรู้จักเขตเนี่ยหนึ่ง ต้องรู้พระวินัยบิดกพระสุตรันตบิดกและพระพิธรรมบิดกต้องรู้พุทธพจน์หรือต้องรู้ทีคณิกายนมชิมานิกายสังยุตตนิกายอังคุต ร, รนิกยายขุทักกานิกายนิกาย5ต้องรู้สุตตะคุยยะเวยาการณะนะชาตกาคาถาอุทาดิติวุติกาชาตกาและวก็พุทธรรมเดี๋ยวไมต้องรู้ต้องรู้วินัยบิดกสุตรันตบิดกต้องรู้พระบิดกต้องรู้นิกาย5ต้องรู้องค์9 ถ้ารู้อย่างนี้รู้คําสอนทั้งสิ้นรู้พธิโพธิอย่างนี้นะอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้เหตุรู้ธรรมเขาเรียกรู้จากเหตุรู้พระธรรมนั่นเองรู้จากผลอัถฐเช่นถ้ารู้แล้วถ้าบอกเจตนาทานเย่างนี้นะพอบอกว่าทานต้องเข้าใจอัถฐด้วยทานความหมายของทานคืออะไรถ้าศีลก็ต้องรู้จักว่าศีลคืออะไรใช่ไหมเจตนาศีลเป็นอย่างนี้เจตสิกศีลอย่างนี้ สังวรศีลเป็นอย่างนี้อวีติกมาศีลเป็นอย่างนี้ต้องรู้จักความหมายของศีลความหมายของสมาธิทุกระดับความหมายของปัญญาทุกระดับนี่ก็เรียกรู้จักผลเห็นไหมสรุปก็คือรู้จักเขียนรู้จักผลเช่นถ้ารู้จักขันห้ารูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องรู้ความหมายของรูปขันด้วยอันนี้เป็นอัฏฐะต้องรู้ความหมายของเวทนาขันด้วยของสัญญาขันด้วยของสังขาระขันด้วยของวิญญาณขันด้วยใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จะเหตุผลดิและอย่างหนึ่งก็คือต้องรู้ถ้ารู้จกขันห้าต้องรู้เหตุของขันห้าด้วยว่าเหตุที่จะทําให้ได้ขันห้าคืออะไรใช่ไหมก็คือสมุทรไยะสจ่าเป็นเหตุให้ได้ขันห้าอย่างเนี้นะอ่ะถ้ารู้จักนี่นี่เหตุกับผลอ่แล้วต้องรู้ด้วยว่าเหตุที่เหตุที่จะทําให้ได้พระนิพพานคือมรรคนี่นะที่จะทําให้ถึงพระนิพพานเนี่ยนั้นมรรคจึงเป็นเหตุนิพพานยังเป็นผลก็คือรู้จักเหตุและผลอย่างนี้ แล้วก็รู้จักตนถามว่าจะวิจัยพร ะ, ร ะ, ะบาเจกพระริจ้ า, า, ารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องคุณรู้จักตนไหมเช่นคุณตนมีศรัทธาแค่ไหนหรือมีตถาคตโพธิศรัทธาไหมเออมีตถาคตโพธิศรัทธาไหมมีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยไหมถ้าถามบอกว่าพุทธมีกี่ประเภท 1. ให้เขาเรียงลำดับดูใช่เรียงแบบ4ก็ได้แบบ3ก็ได้ถ้าแบบ3ก็คือสาวกสาพุทธะมาก่อนแล้วก็ปัจเจพุทธะแล้วก็สัมมาสมพุทธะถามว่าถ้าต้องการอยากจะรู้ว่าว่าใครมีมีศรัทธามีปัญญามีคุณธรรมมากหรือไม่มากก็ดูตรงไหนดูตรงการสร้างบา ร, รมีปัจเจกพุทธะสร้างบา ร, รมีสองกับสงขยัย สองสอสมัยแต่สัมมาสัมพุทธาเนะี่ยสี่อย่างเนี้นะแปดหรือสิบหก็ว่าไปอันนี้ก็แยกนี่คือแล้วก็ต้องรู้จากตนในฐานะว่ามีศีลแค่ไหนตนนี้ที่จะไปวิจัยศีลของพระพุทธเจ้าของพระปัเจริยาของว่าตนเองมีศีลแค่ไหนเออดูก่อนประเมินตัวเองไม่ให้ออกก่อนบางทีตนเองศีลห้าก็พ่องก็แพอง่งี้ยอย่างเงี้นะที่ตนเองมีศีลแค่นี้อ่ะ ไม่จะไปคิดถึงศีลพระเจ้าซึ่งโอ้โหระดับอย่างนั้ น, นบำเพ็ญศีลบารมีมาถามบอกว่าเออเราเกิดมาในสังสา ร, รวัฏเนี่ยมากกว่าสี่เปร์เซ็์สงไข่มากกว่ายี่สิปร์เซ็์สงไข่แต่โดยมากเราทุศีลนะแต่ว่าพระศาสด า, าไม่ใช่อย่างเนี้ยท่านเก็บศีลท่านก็เล่นพระลรหรันในชาติสุดท้ายพระอะหันเอาตะข่ายทองคํามารองรับเนี่ยถือตะข่ายทองคําพระอะหันจากสุดท่าว่าจะถือตะข่ายทองคํารองรับเนี่ยทำไมพระ พระอรหันต์พระอรหันต์พระขีนาสอบสิ้นอาสวะจากสุทาวาสเลยลงมาสุทาวาสเลยนั่นแหละพรมจากพรมจากสุทาวาสที่สิ้นอาสวะแล้วนั่นแหละเป็นพรมเนี่ยเขาเรียกว่ารู้จักตนว่ามีศรัทธามีศีลมีสุตตะสุตตะต้องสั่งสมพระไตรปิฎกไว้ไว้ไวไวชัดไหมในคําสอนเนี่ยสุตตะเนี่ยสั่งสมได้กี่สูตรจาคะ แล้วมียัง ม, มีมือมือยังปล่อยมือยังสละแล้วใจในะน้อมสละได้ไหมเนึองนิดนไหมปัญญาเนี่ยนี่เราเร า, ารู้จิตตนรู้จักประมาณโอ้ประมาณการประมาณในการที่จะใช้ที่อยู่อาศัยเครื่องนงห่มยา ó, รักษาโรคอะไรรายละเอียดต่างๆเนี่ยเรารู้จักประมาณไหมแล้วก็รู้จักการ การนี้เป็นการแห่งการฟังทําการนี้เป็นการแห่งการสอบถามการนี้เป็นการแห่งการพิจารณาการนี้เป็นการแห่งการประพฤติปฏิบัติอย่างเราทํางานแต่ละการเนี่ยเราการเราบริบูรณ์ไหมทาไมเรารู้เพราะความไม่รู้จากการใช่ไหมเราจึงไม่เป็นเพราะพระคนทัญญาจึงไม่ได้บรรลุคนแรกเพราะความไม่รู้จักการใช่ไหมเราจึงไม่บรรลุคนที่2 3 45ี่เนี่ยเพราะไม่มีการันยุตานี่แหละมันถึงเป็นแบบนี้ เห็นไมมความขาดการัุตาเนี่ยเราเลยไม่ได้เป็นอย่างพวกเขาเหล่านั้นเลยเออต่อนหน้าพระพักเราน่าจะได้รับสถานะการแต่งตั้งเป็นอะไรสักนิดหน่อยใช่ไหมเพราะไม่รู้จักการหรือเปล่าเราจึงไม่เป็นอาณาถาปิณิกาถึงไม่เป็นนางวิสาขาทีนี่อย่างนี้เป็นต้นนี่ความไม่รู้จักการนี่แหละว่าเข้าใจยังแต่นี้ไม่รู้จักการทีนี้ความไม่รู้จักประชุมชน เราไม่รู้จักประชุมชนนะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าบริษัทนี้คือภพพระเจ้าบริษัทนี้สาวกของพทะเจ้าเราจึงไม่เข้าหาไงไม่รู้จกักบริษัทว่าบริษัทนี้ควรเข้าไปนอบน้อมควรไปฟังธรรมในสังสารวัตรไปทําอะไรอยู่เพราะเราไม่รู้จักประชุมชนเราไม่รู้จักบริษัทไอบริษัทนี้มีควันไปคบเราไปคบเขาทําไมมันก็กลับมาเจ็บปวดกันอยู่ทุกวันนี่แหละ เราไปครอบมิจฉาทิฐิมาเพราะการไม่รู้บริษัทนะเราไม่รู้บริษัทไม่แยกแยะบริษัทที่เป็นมิจฉาทิฐิเราก็ไปครอบกับเขาอยู่นั่นแหละนี่ไม่รู้จักบริษัทแล้วก็ไม่รู้จักตั้งท่าทีจิตใจต่อบริษัทต่อชุมชนนั้นๆแล้วเจ็บปวดไหมล่ะแต่เ น, นี้ยชีวิตเนี่ยเจ็บปวดนี่การไม่รู้จักบริษัทไม่รู้จักประชุมชนเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละและก็แยกแยะย่อยลงไปเราไม่รู้จักบุคคล ไม่รู้จักบุคคลนะถ้าไม่รู้จักบุคคลนัถ้าว่าด้วยหลักก็คือบุคคลที่ต้องการเห็นพระพุทธเจ้ากับบุคคลที่ไม่ต้องการเห็นเอาอยู่กลุ่มไหนใช่ไหเราแยกได้ไหมบุคคลที่ถามว่าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นประเภทไหนท่านเป็นประเภทเป็นบุคคลปรารถนาจากเห็นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้า ท่านปรารถนาจะเห็นเห็นไหมคนที่ไม่ปรารถนาที่จะเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ถูกตําหนิเพราะเหตุนั้นนเยอะแยะหมดเลยเห็นไหมที่ติดค้างอยู่ในสังสาราวัตรคือคนไม่ปรารถนาเห็นพระพุทธเจ้ า, านะไม่ปรารถนาเห็นพระอัยยะไม่ปรารถนาเห็นสัตว์บุรุษเนะเนี่ยก็ะะถูกตําหนิด้วยเหตุนั้นนั้นแล้นในบรรดาบุคคลที่ปรารถนจาจะเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มาตั้งหลักอีกคนที่ต้องการฟังธรรมกับไม่ต้องการฟังธรรม เห็นไหมคนบางทีต้องการเห็นอย่างเดียวเท่านั้นแหละแต่ไม่ต้องการฟังเช่นโอ้พระเจ้างามพระเจ้าดีพระเจ้าประเสริฐพระยาดีเนี่ยแต่ไม่แต่ให้ฟังทำไม่เอาอย่างนั้นหรือไม่ก็จะต้องถูกตําหนิแล้วถูกลดออกไปถูกคัดออกไปและบุคคลที่ปรารถนาฟังทำแล้วก็มาแยกเป็น2ว่าตั้งใจฟังหรือไม่ตั้งใจฟังถ้าตั้งใจฟังหรือไม่ตั้งใจฟัง ถ้าไม่ตั้งใจฟังก็ถูกตำหนีเพราะเหตุนั้นนส่วนผู้ตั้งใจฟังก็ถูกสรรเสริญเพราะเหตุนั้นๆในบรรดาตั้งใจฟังก็มาแยกว่าจำได้ทรงจำได้กับทรงจำไม่ได้ไอ้คนกลุ่มที่ทรงจำไม่ได้ก็ถูกตำหนี่เพราะเหตุนั้นนั้นกลุ่มที่ทรงจำได้ก็ถูกสรรเสริญเพราะเหตุนั้นนั้นในบรรดาทรงจำได้ก็มาแยกเป็นกลุ่มจำได้ทรงจำได้สั่งสมได้เอามาพิจารณากับไม่พิจารณาอัตถะและธรรมะ ไอ้กลุ่มที่ไม่พิจารณาอัฏฐะเนื้อความธรรมะคือเขตกับผลไม่พิจารณาหลักก็ไม่พิจารณาความหมายของหลักไม่พิจารณาศรัทธาวันนี้คือศรัทธาความหมายของศรัทธานี่คือศีลนี่ความหมายของศีลนี่คือสุตตะนี่คือความหมายของสุตตะนี่คือจาระนี่คือความหมายของจาคะนี่คือปัญญานี่คือความหมายเนื้อความของปัญญา นี่มันแยกกันใช่ไหมถ้ากลุ่มที่พิจารณาก็ถูกสรรเสริญไม่พิจารณาก็ไม่ถูกสรรเสริญนี่พิจารณาเข้าใจอัดเข้าใจธรรมะนี่พิจารณาแล้วเข้าใจอัดเข้าใจธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระทำไหมหรือปฏิบัติธรรมพอเป็นเหตุแก mm ่การจะบรรลุโลกุตระหรือหรือไม่ปฏิบัติธรรมที่เป็นเหตุกันเห็นไหมพิจารณาเบ็ดเสดทรงจําเบ็ดเสดแล้วไม่พิจารณากันก็ไม่ปฏิบัติธรรมกันก็เยอะแยะ แต่ในบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตรธรรมนิ่กมาแยกเมื่อได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุโลกุตระธรรมแล้วก to hmm. ็ผู้ปฏิบ to ั hmm. ติธรรมจนบรรลุเบ็ดเสร็จแล้วเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่เพื่อประโยชน์กับบุคคลอื่นแต่ผู้ที่ปฏิบัติแล้วตนเองบรรลุได้ประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นด้วยนี่คือใครเนี่ยใช่ไหมเพราะปเจคือปฏิบัติเพื่อตนเท่านั้นเองไม่ใช่เพื่อบุคคลอื่นแต่พระพุทธเจ้าอยู่ประเภทปฏิบัติเพื่อ ตนเองด้วยแล้วก็เพื่อบุคคลอื่นด้วยนะให้บรรลุโลคุตตะธรรมก็แยกให้เห็นไม่แยกมาตามสายเราจะได้รู้จักบุคคลนี่นี่คุณไม่แยกอย่างนี้คุณจะอ่านบุคคลไม่ออกอังคุตตรในกายสัตตการนิบาทเล่มที่37อ๋อก็ สองอสองไขยกับหนึ่งอสองไขอ๋อปัญญาพระประเจกมากกว่าใช่มากกว่าภาษาริบุตรภาษาริบุตรนี่มีสัตว์ที่วิหาริจำนวนมากอย่างนี้ค่ะแล้วก็พระองค์ก็สามารถแสดงธรรมแล้วทำให้ผู้อื่นเนี่ย เได้มรผลนิพพานได้ก็คืออย่างนี้คืองนี้คือพราะพราะปัจเจกงพริเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้สร้างสมอัธยาศัยคืออย่างนี้นะว่าภาษาลิบุตรเนี่ยที่แสดงธรรมให้คนบรรลุนั้นเน่ยจริงๆไม่ใช่ภาษาลิบุตรแสดงคือเพื่อเจ้าแสดงภาษาลิบุตรแสดงไม่ได้ต้องพระพุทธเจ้าแสดงเหมือนอมานี่มาแสดงธรรมไม่ได้ต้องพระพุทธเจ้าต้องพระพุทธเจ้าแสดง เป็นคำสอนพุทธเจ้าแต่มาจาได้เข้าใจบางส่วนก็มากล่าวบอกภาษาริบุตอยู่ในฐานะนั้นฉะนั้นบุคคลที่จะสามารถสอนคนอื่นให้บรรลุได้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเรียนด้วยนะคะคือว่าที่เราศึกษามาเนี่ยเราก็จะทราบตามข้อมูลที่ศึกษาว่าในเวลาที่มีพระอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้น ในเวลานั้นเนี่ยจะไม่มีผู้ที่บรรลุธรรมด้วยตนเองค่ะตอนนี้หนูก็เลยถามพระอาจารย์ว่าแล้วในเวลาที่พระพุทธเจ้า เ, ออเสด็จประสูตมีพระอนาคาบ้างมีพระอราหันต์บ้างมาถือตะข่ายลองรับอ๋อมาจากสุทธาวาสสุทธาวาสจะไม่เว้นจากพระอราหันต์จะไม่เว้นจากพระริยะหมายความว่าที่ว่าจะไม่มีผู้บรรลุธรรมด้วยตนเองคือในมนุษย์โลกใช่ไหมคะในบ้าน คือคือในสุดทาวาสเนี่ยจะมีพระอนาคากับผ้าหลหันเต็มไปหมดน ะ, ะแล้วผ้าอนาคาและพระ้าหลังหันในที่อยู่ในสุดทาวาสภูมิเนะี่ยที่ค้างมาจากพุทธเจ้าองค์ก่อ น, นอีกเยอะมากเลยแล้วในเวลาที่ว่างจากพผ้รหลังอันขออภัยว่างจากพระศาสนาภูมิทั้งสาเอ็ดเนี่ยมีครบทั้งสาบเอดภูมิแล้วก็บุคคลครบไหมคะบุคคลแปลว่าอะไระบุคคล8เลยอะคะ่ะพุทุชนอริยสี่อย่างเนี้ยคะ่ะ มักสี่ผลสี่มีไหมคะปุถุชนทั้งสี่มีอ๋อก็ต้องก็ต้องมีไม่มีอะไรงในโดยเฉพาะในอรูปประภูมิก็มีที่เป็นได้เนี่ยในรูปประภูมิเนี่ยในเวลาที่ว่างจากพระศาสนาแล้วเนี่ยในรูปประภูมิยังมีพระอรหันต์มีพระนาคาไหมคะมีที่ไม่มีดะไง้สุธาวาจึงมีอยู่ตลอดใช่ใยกเว้นสุธาวาสในจักรวาลอื่น หรือเปล่าคะถ้าถ้าถ้ามีสุทธาวาสก็ต้องมีพระอนาคาถ้ามีสุทธาวาสนะในชั้นของคําสอนหมายความว่าในจั ก, กรวาลอื่นเนี่ยรู ป, ปรภูมิมีครบทั้ง16 อ, อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ในจั ก, กรวาลอื่ น, นมีกล่าวไว้บางกคำพีเป็นกันที่จะกล่าวไว้ว่ากรณีที่เออว่าพบว่าพบภูมิแตไ่ไม่ไม่ไม่แน่ใจในมุมตรงนั้นเพราะไม่มีคําสอนเจาะล ะ, ละเอียดไปขนาดนั้นนะค่ะ ไม่ได้เจาะไว้แต่ว่าาในชั้นของส1สบเอภพนี่กล่าวแต่เพียงว่าสุดทธาว่าจเป็นไม่ว่างจากพระอาณาคาราคาพรหาหแต่จะมีบางยุคบางสมัยที่ลดน้อยลงตอนนั้นท่านก็เริ่มมองอย่างเช่นี้เป็นต้น น, นั้นก็มีการสืบค้นเงินแต่ว่ามุมตรงนี้ก่อนที่ตอบไโยมไปโยแแอถามว่าว่าที่อามาตอบว่า ภาษาลิบุตรไม่ได้แสดงธรรมต้องพูดได้ชัดตรงนี้คือสมมุติว่านะท่านภาษาริบุตรเออเรื่องจริงๆที่ภาษาริบุตรท่านแสดงธรรมแสดงธรรมสัตว์ได้บรรลุมากมายแต่ผู้นะหรือถ้าเป็นบุรุษชนแสดงธรรมก็แล้วแต่ถ้าใครฟังธรรมแล้วท่านผู้นั้นบรรลุไม่ใช่ท่านผู้ น, นั้ น, น, นเป็นผู้ดึงบุคคล น, นั้นให้หลุดจากลมจากโคนตรง พระธรรมก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดึงท่านเหล่านั้นให้หลุดจากลมและโคนตมให้เขาถึงความสะอาดหมดจดบริสุทธิ์เป็นต้นได้แยกให้ออกว่าคนที่จะสามารถตัดสรู้และให้บุคคลอื่นตัดสรู้ตามนั้นมีจำพวกเดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าบุคคลอื่นทรงจำและเข้าใจพระธรรมของพุทธเจ้าได้เอามาก่าวได้ทีนี้ถ้าพูดถึงพระประเจกพรพุทธเจ้าเนี่ย ด้านของอัดด้านของพยัญชนะของท่านเนี่ยท่านไม่ได้บําเพ็ญบารมีเมื่อเพื่อหลากหลายในด้านของพยัญชนะนีแต่ท่านบําเพ็ญมาทางด้านของคุณธรรมในะหลากหลายจริงๆนั้นท่านแทงตลอดเบ็ดเสร็จคนที่จะสามารถสอนคนอื่นกระชากจิตให้หลุดจากกิเลสได้เนี่ยแปลว่าจะต้องมีพยัญชนะเหมาะสมกับอัธยาศัยที่งจะมีอาสญานุสยญาณเป็นต้นนะอินทรียาโพรปริยติยานเป็นต้นนะ ที่จะต้องรู้ความแออ่อนแก่อินทรีย์ของสัตว์ด้วยเนะแล้วก็จะต้องมีธรรมะที่เหมาะต้องต้องรู้เวลาการเวลาที่สัตว์จะบรรลุด้วยเนะซึ่งไม่ใช่ง่ายๆ่ายพระปจเจริญพระเจ้าท่านไม่ได้สร้างอัธยาศัยมาอย่างนี้เลยใจยท่านก็เพียงบอกกุศลกรรมบวชอกุศลกรรมบวชแค่นั้นแหละท่านก็บอกแค่นั้นแหละให้คนได้ไปสวรรค์ไปสุคติเงี้ยสร้างอัธยาศัยอย่างนี้ได้ก็ะจะไปบรรลุกับพระยาองค์ต่อไปเนี่ยได้ ก็มีแต่เพ่อใครบำเพ็ญเป็นปัจเจกกับบรรลุงท่านเองจะไม่ได้เกี่ยวกับท่านอาจจะเป็นเหตุเล็กๆ น, น้อยๆเท่านั้นเองเลยฉะนั้นท่านไม่ได้สร้างอัธยาศัยเพื่อสอนใครบรรลุสองอสงไขไม่ต้องสองอสงไขเพรต้องคิดเองจนตัดสั้นรู้ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะคุณธรรมของท่านธรรมดาที่ไหนแต่แต่พระปัจเจกพระพุทธเจ้านี่นะ นั่งติดๆกันเนี่ยนะให้เต็มห้องจั ก, กรวาลเนี่ยคุณจะทำไม่เท่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวหนึไม่เท่านะเอาที่นั่งติดๆกันเนี่ยให้เต็มห้องจั ก, กรวาลแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวนั้นเนี่ยให้ทานกับพระพุทธเจ้าองค์เดียวได้อานิสงส์มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าให้กระสง์เป็นต้นมากกว่า น, นั้นอีกเนี่ ย, ยที่มีพระพุทธเจ้าเป็นบรมมงคลดีที่ ใช่หมายถึงปาฏิพุริกาน อ, อ, อ๋อกรณีอย่างการเดินกุศลจะจะเหมือนกันหมดการเดินกุศลน่ยกรณีอย่างการที่ท่านบนรรลุแต่หลากหลายต่างกันหรือไมอันนี้ก็แล้วแต่น่ะ ความกว้างขวางต่างกันท่านท่านจะกล่าวไว้ในสารถาทีบันีดีกาวินัยไปขยายก็มีหรือในสูตรอื่นก็มีในชั้นเขาอาจจะคาขยายไว้ก็มีขยายกรณีงการบรรลุแล้วท่านจะบอกไว้หมดเลยบรรลุแบบสุขาวิปัสสกายังไงบรรลุแมแล้วก็บรรลุแบบประเภททีนภาพละหันธรรมดายังไงอริยติยังไงมหาสาวกอ克拉สาวกยังไงแล้วก็พระปเจกับพุทธะสัมมาสัมพุทธะในการบรรลุช่องท า, างในการเดินนิพพานาญาณต่างกันยังไง โอ้ท่านโยมาเหมือนช่องทางเล็กๆเกนี่ยแล้วก็ช่องทางกว้างขึ้นกว้างขึ้นเนี่ยในกา ร, รปัญญาที่ท่านไปวิจัยเนี่ย <c oughs> ปัญญาที่วิจัยเนี่ยถ้าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยกระแสะขันของสัตว์ทั้งหลายที่ที่พระองค์จะไม่เอามาวิจัยด้วยความเป็นอริยสัตว์ไม่มีเลยที่จะบรรลุ่ะอย่างเราถ้าพูดถึงถนนก็เหมไม่รู้เป็นร้อยร้อยเลยแล้วมั้งวิ่งผ่านในจักรวาลทั้งหลายวิปัสสนาญาณท่านกว้างหวงังมาก ไม่ใช่วิจั ย, ภา ย, ภ, า ย, ภ, ายภายในไม่ต้องพูดถึงวิจัยภายนอกทั้งเกลี้ยงอ่ะวิปัตยาญานของพระพุทธเจ้าอขันทุกขันน่ะวิจัยหมดอะมาหือมาขนาดนั้นนะอย่างเราวิจัยแค่รูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวเองก็ยังปวดหัวอยู่ทุกวันนี่นะวิจัยไปวิจัยมามองไม่ออกหลุ ด, ลดแล้วก็โดดไปเรื่องอื่นอีกแล้วใช่ไหมขนาดวิจัยขันตัวเองยังไม่เคยรู้เรื่องเลยตัวนี้นะ ไปวิจัยคนอื่นได้แล้วดีเอาแล้วต้องวิจัยรวมๆเลยของเราเจาะจงอะไรขึ้นมาโอ้โหอะไรกลัวจะหมดทุกขันนี่มีท่านเก็บมุมหมดเลยเก็บมุมหมดเลยถ้าภาษาดิบุรตรนี่นะสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านวิจัยได้หมดเลยอะปัญญาท่านน่ะวิจัยกระแสขันของสาวกขพระพุทธเจ้าได้หมดเลยอของพระองค์นั้นๆอนย่าง น, น, น, นี้เอามาวิจัยได้เลย ดูปัญญาขงท่านนี่หนาแน่นมากเนี่ยวัดกันเรื่องปัญญาจริงเลยนะวัดปัญญาันทีที่เยอะมากทั้งเราที่คิดอะไรปฏิปต่อก็ลําบากแล้วเนะ น, นี่ยตอนเนี้ยใช่ไหมแค่จะให้นั่งฟังทำปฏิปต่อกันเนี่ยใจก็เริ่มไปเลยตรงนี้ออกนูน้นออกนี้ไปแล้วเนี่ยถ้ารู้คําสอนจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าแนวทางการเดินกุศลเดินยังไงเดินยังไง บางทีนั้นขอศึกษาเป็นไปตามคําสอนจริงๆได้เลยจริงเราเราจะเห็นว่าโอ๋ออย่าแปลกเลยถ้าเราจะเห็นมีหลักปฏิบัติหลากหลายเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องความเข้าใจจริงๆถ้าไม่เข้าใจเบีดเสร็จเนี่ยเอาสิถ้าไม่เข้าใจ เ, เนี่ยไ ม, นะไม่นั่งยอมตัวนั่งหลับตาไปสิหลับไปสิหลับลึกๆหลับลึกๆแล้วก็ลึกจริงๆไอ้ตัวเนี้ย ใช่ไหมเพราะไม่เข้าใจไม่รู้จะหลับแล้วจะคิดอะไรต่อจะใส่ใจอะไรก่อนก็จะมานาสิการอะไรใช่ไหมก็เอาคนก็นั่นแหละติดค้างอยู่นั่นแหละดิงได้เข้ามีความสุขนนะออนะก็อยู่อย่างนั้นนะไม่รู้จะพัฒนาต่อยังไงฮก็อยู่อย่างนั้นแหละแล้วฐานที่มาก็เป็นฐานอะไรด้วยตัวนี้เอาสิตัวนี้ไม่รู้จะต่อยอดอยังไงตัวนี้แต่จะพังก็ไม่กล้าพังนะสมาธิที่ได้เนะี่ยเคยเป็นไหมลนะ่ะ ไม่มีเลยท่านไม่รับใครด้วยไปคนเดียวประดุดนอแลดแต่ไปดูในมิอะไรนะอักขาวิสารสูตรเนี่นะเป็นเป็นสูตรที่ว่าด้วยพระปเจ้พพุทธเจ้าโดยเฉพาะเลย อามีใครจะถามอะไรอีกหรือเปล่าอ๋อเยอะได้พระปเจริญเจ้าเนี่ยสามารถที่จะไปรู้ได้เยอะพร้อมๆมกันก็ได้เยอะก็ได้